จเจริญพรท่า น, นสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสกอุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรม ท, ทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่สีุ่มพาพัน์พุทธศักราชส5งพันห้าร้อยหกสิบเป็นวันพระวันธรรมวัวนาะวันฟังธรรมวันเติมบุญ ชีวิตของเราก็เหมือนร่างกายที่ต้องมีอาหารรล่อเลี้ยงอาหารของร่างกายก็คือข้าวปลาต่างๆที่เรารับประทานกันถ้าร่างกายขาดอาหาราร่างกายก็จะสู้ผอมเป็นโรคภัยไข้เจ็บและถึงกับเสียชีวิตไปได้เราจึงต้องรับประทานอาหารกันทุกวัน ฉันใดจิตใจของพวกเราก็เป็นเหมือนร่างกายที่ต้องมีอาหารหล่อเลี้ยงเช่นเดียวกันอาหารของร่างกายก็คือบุญที่เรามาทํากันตามที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้ทํากันบุญนี้ก็มีเป็นเหมือนอาหารก็มีหลากหลายชนิดอาหารเราก็มีของขาวของหวาน มีผลไม้มีขนมนมเนยมีเครื่องดื่มชนิดต่างๆอาหารของใจคือบุญก็มีหลากหลายชนิดเช่นเดียวกันแบ่งเป็นสองส่วนส่วนที่เป็นอาหารหลักที่เราควรจะรับประทานเช่นอาหารของร่างกายอาหารหลักก็คือข้าวกับข้าวน้ำ ส่วนอาหารเสริมก็คือพวกขนมนมเนยผ ล, ลไม้อะไรต่างๆที่เรามีรับประทานก็ได้ไม่มีรับประทานก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่อาหารหลักนี่เราขาดกันไม่ได้คือขาดข้าวขาดกับปลากับข้าวกับปลานี่ขาดน้ดําหล่านี้ไม่ได้เราต้องมีทุกฟันเป็นประจำ ฐานใดบุญที่เราต้องทำกันทุกวันเป็นประจาก็มีอยู่ส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบุญเสริมถ้าเรามีโอกาสเราก็ทำไปไม่มีโอกาสเราไม่ทำก็ไม่ขาดทุนไม่เดือดร้อนบุญหลักที่เราต้องทำอยู่อย่างสม่าเสมอคือข้อที่หนึ่งเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องความเห็นที่ถูกต้องคือ ต้องเห็นว่าบาปมีจริงบุญมีจริงนาลกมีจริงสวรรค์มีจริงการเวียนว่ายตายเกิดมีจริงและการสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดก็มีจริงผู้ที่ไปเวียนว่ายตายเกิดก็คือจิตใจผู้ที่ไม่ได้ไปก็คือร่างกายร่างกายนี้พอตายไปก็ตายกลายเป็นที่เท่ากลายเป็นดินไป แต่ใจนี้เป็นผู้ไปรับผลบุญผลบาปเป็นผู้ไปเวียนว่ายตายเกิดต่อไปถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้เราก็จะทำสิ่งที่เราควรจะทำคือเราก็ไม่ต้องการจะไปนรกไม่ต้องการไปอบ า, ายกันเราก็จะไม่ทำบาป ก, กันถ้าเราอยากจะไปสวรรค์กันเราก็ทำบุญกันถ้าเราอยากจะยุติการเวียนว่ายตายเกิด เราก็ไปบวชกันนี่คือการมีความเห็นที่ถูกต้องจะนำปลาไปสู่การกระทําที่ถูกต้องที่จะส่งผลที่เราปรารถนากันคือความสุขความเจริญความดับของความทุกข์ความสิ้นสุดของการเวียนว่ายตายเกิดกันเมื่อเรามีความเห็นที่ถูกต้องแล้วข้อที่สองเราต้องมีก็คือบุญที่เกิดจากการฟังเทศน์ฟังธรรม เป็นวันพระพนี้เราก็มาวัดมาฟังธรรมกัน <sk r æ ren> เพื่อเราจะได้รู้ว่านารกอยู่ที่ไหนสวรรค์อยู่ที่ไหนทําอย่างไรถึงทําให้เกิดนรกขึ้นมาทําอย่างไรถึงทําให้เกิดสวรรค์ขึ้นมาทําอย่างไรถึงทําให้เรากลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆทําอย่างไรเราจะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นบุญที่สําคัญ ถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมเราก็จะไม่รู้จักเหตุของผลต่างๆที่เรากำลังพบกันอยู่ในขณะนี้แลว้วเรามาเกิดกันมาเป็นมนุษย์กันมามีความสุขมีความทุกข์กันก็เกิดจากเหตุคือการกระทำของเรากระทำทางกายทางวาจาและทางใจทำไปแล้วก็มีผลถ้าทำบุญก็ทำให้เรามีความสุขใจ เช่นตอนนี้เรามาทำบุญกันเราก็มีความสุขใจถ้าเราไปทำบาปเราก็จะมีความทุกข์ใจแล้วถ้าเวลาตายไปความสุขใจนี้ก็กลายเป็นสวรรค์เวลาตายไปความทุกข์ใจก็จะกลายเป็นนบายกลายเป็นนรกขึ้นมานี่คือบุญที่เราควรที่จะทำอยู่เรื่อยๆคือหมันฟังเทศฟังธรรมอยู่เรื่อยๆ แ้วเราจะหายสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ว่ามีจริงหรือไม่จะหายสงสัยว่าพระพุทธเจ้ามีจริงหรือไม่จะหายสงสัยว่าพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้านี้สามารถสอนให้เราได้ไปสู่สุคติจริงหรือไม่ถ้าเราฟังแล้วเราก็จะเชื่อ<ม>เชื่อแล้วเราก็จะได้ปฏิบัติตาม นี่คือบุญสองข้อแรกที่ควรจะมีอยู่ข้อแรกคือบุญที่เกิดจากการมีความเห็นที่ถูกต้องจะมีความเห็นที่ถูกต้องได้ก็ต้องเข้าหาผู้ที่มีความเห็นที่ถูกต้องก็คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นี่ท่านเป็นผู้มีดวงตาเห็นธรรมมองเห็นภพชาติต่างๆทั้งอดีตทั้งอนาคตมองเห็นกายทิพ มองเห็นสิ่งที่เราไม่สามารถมองเห็นได้ด้วยตาเนื้อเราจึงต้องเข้าหาคนที่มีตาทิพย์เพราะเราจะได้รู้สิ่งที่เราไม่รู้มาก่อนเหมือนคนตาบอดต้องอาศัยคนตาดีบอกว่าตรงนั้นมีอะไรตรงนี้มีอะไรถ้าไม่มีคนบอกเราก็เดินคลาทางไปแล้วไปคํำผิดคํำถูกไปคํำถูกงูเข้าก็จะถูกงูกัดได้ แต่ถ้ามีคนตาดีบอกว่าตรงนี้เป็นงูนะอย่าเดินไปตรงนี้เป็นเงินเป็นทองนะให้เดินไปทางนี้เราก็จะได้เดินไปในทิศทางที่ปลอดภัยที่เป็นประโยชน์กับชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เราควรจะกระทํากันอยู่เรื่อยๆคือฟังเทศฟังธรรมสมัยนี้เราไม่ต้องมาวัดก็ได้ สมัยโบราณต้องมาวัดกันเพราะว่าไม่มีสื่อธรรมนอกจากพระสงฆ์องค์เจ้าที่อยู่ที่วัดญาติโยมก็เลยต้องมาวัดในวันพระเพื่อจะได้มาฟังเทศน์ฟังธรรมจากพระแต่สมัยนี้คําสอนของพระของครูบาอาจารย์ต่างๆของพระพุทธเจ้านี้มีการจดบันทึกไว้ในสื่อต่างๆในหนังสือก็มีในแผ่นซีดีก็มี ในเครื่องเล่น mp3 สก็มีดังนั้นเราสามารถฟังธรรมได้อยู่เรื่อยๆประโยชน์ของการฟังธรรมก็จะทำให้จิตใจเราสว่างขณะนี้เราเหมือนอยู่ในที่มืดเรามองไม่เห็นอะไรต่างๆเรามองไม่เห็นว่าอะไรเป็นบุญอะไรเป็นบาปอะไรทำให้เราทุกข์อะไรทำให้เราสุขแต่ถ้าเราฟังเทศมันก็เหมือนกับเปิดไฟในบ้านของเรา บ้านของเราเวลามืดเราจะทำอะไรก็ไม่สะดวกแต่ถ้าเรามีไฟฟ้าเราเปิดไฟฟ้าเราก็จะสามารถเห็นอะไรต่างๆเราก็สามารถทำอะไรต่างๆที่เราต้องการจะทำได้การฟังธรรมนี้จะทำให้เรามีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าอะไรเป็นบุญเห็นว่าอะไรเป็นบาปเห็นอะไรว่าเป็นสุขเห็นว่าอะไรเป็นทุกข์เนี่ย ก็เหมือนกับลืมตาขึ้นหรือเหมือนเปิดเปิดไฟในที่มืดจะทำให้เราเห็นสิ่งต่างๆที่เราจะไม่สามารถมองเห็นได้ถ้าเราไม่เปิดไฟถ้าเราไม่ฟังเทศน์ฟังธรรมเราจะไม่รู้ว่าเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายเราตายแต่แล้วเราอย่างต้องไปเกิดต่อไปนรกบ้างไปสวรรค์บ้างไปเป็นเดระฉานบ้างไปเป็นเทวดาบ้าง อันนี้คนที่มีตาทิพย์เขาจะเห็นกันแต่พวกเรายังไม่มีตาทิพย์เราก็เลยต้องอาศัยคนตาทิพย์คือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นผู้บอกเราแล้วเราก็จะได้เดินไปในทิศทางที่ถูกนี่คือบุญสองประการที่เราควรจะมีกันเดี๋ยวนี้มีหนังสืออามีซีดีฟัง อ่านได้ทุกวันฟังได้ทุกวันดีกว่าอ่านหนังสือพิมพ์ดีกว่าดูละครน้ำเน่าต่างๆดูหนังสือพิมพ์ก็มีแต่ทำให้จิตใจหดหู่ทำให้จิตใจวุ่ น, ว, นวายดูละครก็ทำให้หลงลุ่มหลงไปกับละครไม่มีประโยชน์อะไรทำให้โง่ขึ้นถูกเขาหลอกได้มากขึ้นเขาหลอกเราขายโฆษณาดูละครก็มีโฆษณาขาย ดูหนังสือพินก็มีโฆษณาขายพอเห็นแล้วก็ต้องไปซื้อของที่เขาขายถูกหลอกอีกแทนที่จะเอาเงินไปทําบุญก็เอาเงินไปซื้อของที่ไม่จำเป็นอันนี้เป็นเพราะว่าเราไม่ได้ฟังเทศฟังธรรมกันถ้าฟังเทศฟังธรรมต่อไปเราจะไม่อยากจะซื้อของฟุ่มเฟือยไม่อยากจะซื้อของไม่จำเป็นต่างๆซื้อมาแล้วก็ไม่ได้ทาให้จิตใจเราดีขึ้น ไม่ได้ทำให้เรามีความสุขมากขึ้นไม่ได้ทำให้ความทุกข์น้อยลงแต่กลับทำให้มีความทุกข์มากขึ้นเพราะมันเป็นเหมือนยาเสพติดของต่างๆที่เราซื้อด้วยความไม่จำเป็นนี่มันเหมือนยาเสพติดซื้อแล้วก็ติดแล้วก็อยากจะซื้ออยู่เรื่อยๆพอไม่มีเงินทองจะซื้อก็ทุกข์เดือดร้อนถ้ายัางอยากจะซื้ออยู่เดี๋ยวก็ต้องไปลักขโมยเงินทองของคนอื่นไปซื้อไปทาบาป ไปโกหกหลอกดวงแต่ถ้าเราเอาเงินมาทำบุญนี้เราจะมีความสุขมีความอิ่มใจเราจะไม่รู้สึกอยากจะได้อะไรเพราะความสุขที่ได้จากการทำบุญนี้ในความสุขมากกว่าความสุขที่ได้ซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆแล้วต่อไปเราก็จะไม่ติดไม่ต้องซื้อของฟุ่มเฟือยเวลาไม่มีเงินซื้อเราก็ไม่เดือดร้อน เวลามีเงินเราก็ไม่ซื้อเอามาทำบุญดีกว่าเพราะทำบุญนี้จะทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มอิบใจแล้วก็มีเงินฝากในธนาคารบุญชาติหน้ากลับมาเกิดก็จะมีเงินเบิกมีเงินทองรอเราอยู่กลับมาเกิดใหม่ก็จะดีกว่าเก่ารวยกว่าเก่าเพราะบุญที่เราทำก็เป็นเหมือนกับต้นไม้ที่เราปลูก เราปลูกต้นไม้ไว้เดี๋ยวต่อไปต้นไม้ก็จะออกดอกออกผลให้กับเราถ้าเราไม่ปลูกต้นไม้เราเราก็ไม่มีผลไม้กินจันใดถ้าเราไม่ทำบุญเรากลับมาเราก็จะไม่มีเงินทองรอเราอยู่แล้วเวลาเราไปเราก็ไปแบบขอทานเพราะเราไม่มีบุญติดตัวไปนั้นการทำบุญที่เกิดจากการให้ทานจึงเป็น ภารกิจที่สำคัญเหมือนกับกินอาหารเราควรผัดทำบุญทุกวันให้ทานทุกวันด้วยการใส่บาตรถ้ามีพระผ่านมาทางบ้านถ้าไม่มีพระผ่านมาทางบ้านจะให้ขอทานก็ได้จะให้ให้พ่อให้แม่ให้คนที่เขาเดือดร้อนก็ได้หรือถ้าว่าเราอยากจะทำบุญกับวัดแต่เรายังมาวัดไม่ได้เราก็เอาเงินที่เราจะทำบุญกับวัดใส่ในกระปุกไว้ ใส่วันละนิดวันละหน่อยทำให้มันติดเป็นนิสัยเพราะถ้าติดนี่เป็นนิสัยแล้วมันจะทำอยู่ประจำถ้ามันไม่ติดแล้วมันจะไม่ทำแล้วพอถึงเวลาจะทำบุญก็ไม่มีเงินทำบุญเพราะเอาเงินไปซื้อของฟุ่มเฟือยหมดเอาไปเที่ยวหมดดันั้นเราต้องแบ่งเงินมาไว้สาหรับทำบุญวันละเล็กวันละน้อยพออาทิตย์หนึ่งก็ได้หลายสตัง ถึงวันพระวันเสาร์วันอาทิตเราก็มาวัดเราก็จะได้มีเงินทำบุญทำทานแล้วเวลาตายไปเราจะมีบุญติดตัวไปจะเป็นเศรษฐีจะไม่เป็นยาจบคนที่ไม่ทำบุญนี้ไปจะเป็นยาจบเป็นขอทานพวกขอทานเราก็เรียกว่าพวกเปรตนี่พวกที่มารอรับส่วนบุญนี่เรียกว่าพวกเปรตเพราะขณะที่มีชีวิตอยู่เขาไม่ได้ทำทานกัน พอตายไปเขาเลยไม่มีบุญติดตัวไปเขาก็เลยต้องมารอที่วัดเนี่ยวันนี้เดี๋ยวเขาก็รอให้เรากวดน้ําอุทิศบุญที่เราทําให้กับเขาไปแต่ถ้าเขามีบุญเขาก็ไม่ต้องมารอเพราะบุญนี่จะพาให้เขาไปสวรรค์ให้แล้ให้เขาไปท่องเที่ยวในโลกทิพย์เหมือนกับเวลาที่เราไปเที่ยวต่างประเทศถ้าเรามีเงินทองเราก็ไปเที่ยวได้ถ้าเราไม่มีก็ไปไม่ได้ ัใดการทำบุญด้วยการให้ทานนีเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่เราควรจะทำกันทุกวันแล้วทำให้ตายไปก็ไปเกิดในสวรรค์กลับมาเกิดก็จะรวยกวากวาไม่ต้องไปเกิดในอบายฉนั้นบุญที่เกิดจากการทำทานนีเป็นบุญที่เราควรจะทำกันเป็นประจำ บุญที่เกิดจากการรักษาศีลนี่ก็เป็นบุญที่เราต้องทาเป็นประจาเช่นเดียวกันคือเราต้องไม่ทบาบาปทุกวันศีลห้าข้อที่เมื่อกี้เรามาขอกันเนี่ยควรจะรักษาทุกวันไม่ใช่รักษาแต่เฉพาะวันวันที่เรามาวัดเพราะศีลนี้จะเป็นเหมือนประกันภัยประกันชีวิตเวลาเราขับรถเราต้องซื้อประกันกัน พาเวลาเกิดลดชนกันเราก็มีคนใจ่ายให้กับเราถ้าเรารักษาศี่ห้าได้เราก็จะมีประกันไม่ให้เราไปเกิดในอบายถ้ารักษาสีลห้าได้นี้ไม่ต้องไปเป็นเดลอาชานไม่ต้องไปเป็นเปรตไม่ต้องไปเป็นอสูรกายไม่ต้องไปตกนรกเมื่อกี้นี้ตอนท้ายสีก็จะแสดงไว้ว่าสีเลนะสุขติยันติ ศีลนี้จะเป็นเหตุให้ไปเกิดในสุคติโดยถ่ายเดียวสุคติก็คือที่เกิดของมนุษย์และเทวดาทั้งหลายพระอริยบุคคลทั้งหลายจะไปสวรรค์ชั้นต่างๆจะไปนิพพานจะไปเป็นพระพุทธเจ้าไปเป็นพระอาหารหันต์นี้ต้องมีศีลถ้าไม่มีศีลไปไม่ได้ถ้าทำบาปนี้ต้องไปเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรตไปตกนรก นี่คือบุญที่เราควรจะทำกันทุกวันรักษาศีลห้ากันให้ได้ทุกวันวิธีที่จะรักษาศีลห้าให้ได้ก็ต้องคิดถึงผลของการทำผิดศีลตายไปแล้วจะต้องไปอบายแล้วถ้ามีชีวิตอยู่ก็อาจจะต้องไปติดคุกติดตารางเพราะถ้าไปฆ่าใครเขาก็ผิดกฎหมายเดี๋ยวเจ้าหนะ้าที่ตำรวจก็ต้องมาจับเราไปเข้าคุกเข้าตารางไปลักทรัพย์ไปช่อโกง เวลาถูกตำรวจจับก็ต้องจับไปติดคุกติดตารางถ้าเราคิดถึงผลของบาปที่จะตามมาเราก็จะกลัวบาปเราก็จะไม่กล้าทำบาปเราจะเห็นบาปเหมือนกับเห็นงูพิษเวลาเราเห็นงูพิษนี้เรากลัวมัม้ยมันยังไม่ทันกัดเราเลยเพียงแต่เห็นมันเราก็กลัวแล้วเพราะเรารู้ว่าถ้าถูกกัดก็อาจจะถึงตายได้ทันใดก็หายเราคิดถึงบาปว่า ถ้าทำแล้วมันต้องไปอาบายอย่างแน่นอนจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงสาวกทั้งหลายท่านพิสูจน์แล้วท่านเห็นแล้วว่าตายไปต้องไปแน่ๆแน่ ๆ, ๆเพราะว่าท่านรับรองท่านรับประกันว่าถ้าไม่อยากไปก็ต้องรักษาศีลกันให้ได้นี่คือบุญที่เราต้องทำประจบอีกข้อหนึ่ง อีกข้อหนึ่งบุญที่เราต้องทาประจำก็คือภาวนาคาว่าภาวนาก็คือการพัฒนาจิตใจให้เป็นพระอริยบุคคลตอนนี้ใจของพวกเราเป็นปุถุชนเป็นผู้ที่ยังติดอยู่กับการเกิดแก่เจ็บตายเวียนว่ายตายเกิดเป็นผู้ที่ยังต้องไปเกิดในนรกเกิดในสวรรค์อยู่ถ้าเราอยากจะหลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย เราก็ต้องภาวนากันภาวนานี้จะทำให้เราได้ไปเป็นพระโสดาบันพระสกิทาคามีพระอนาคามีพระอรหันต์ทาให้เราได้หลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปถ้าเราได้ถึงขั้นแรกคือขั้นพระโสดาบันนี้เราก็จะกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติและไม่ต้องไปเกิดในอบายจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ แล้วถ้าได้ขั้นที่สองขั้นพระสกิดาคามีเราจะกลับมาเกิดอีกเพียมชาติเดียวแล้วถ้าได้ขั้นที่สามะาณาคามีเราจะไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกต่อไปเราจะไปเกิดเป็นพรหมไปอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหมแล้วก็บรรลุถึงพระนิพพานบรรลุเป็นพระอาหารหันต์ตามลาดับต่อไปแล้วก็จะไม่มีการกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตาย เหมือนอย่างที่พวกเรากำลังเป็นอยู่กันขณะ น, นี้พวกเราถ้ายังไม่ภาวนาเดี๋ยวตายไปก็ไปตามบุญตามบาปถ้าเราทำบุญไม่ทำบาปเราก็ไปสวรรค์ถ้าเราทำบาปไม่ทำบุญเราก็ไปอาบายถ้าเราทำบุญและทำบาปปนกันไปก็อยู่ที่ว่าอันไหนจะมากกว่ากันถ้าบุญมีกำลังมากกว่าบุญก็ไปดึงไปรับผลบุญก่อน ถ้าบาปมีกำลังมากกว่าก็ดึงไปรับผลบาปกว่าจนกว่าบุญกับบาปมีกำลังเท่ากันไม่สามารถดึงไปสวรรค์หรือดึงไปอบายได้ก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มาทำบุญทำบาปกันต่อนี่คือเรื่องของจิตใจของพวกเราที่พวกเราไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาไม่ได้มาพบกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เราก็อาจจะคิดว่าเราตายแล้วเราก็จบร่างกายนี้ตายแล้วเราก็จบไม่มีผลตามมาอีกต่อไปเหมือนกับกฎหมายไม่สามารถเอาโทษคนตายได้แล้วถ้าตายไปแล้วถึงแม้ว่าจะไปป้นไปจี้ไปฆ่าใครเขาก็ไม่ขับเขาก็ไม่จับร่างกายนี้ไปขังคุกขังตารางแล้วแต่นี้เป็นเพียงครึ่งเดียวของเราอีกครึ่งหนึ่งที่เป็นตัวเรานี้เราไม่รู้กัน ร่างกายนี้ไม่ได้เป็นตัวเราร่างกายเป็นเพียงคนรับใช้เราเนี่ยเราสั่งให้ร่างกายทําอะไรต่างๆคนที่สั่งนี้ไม่ใช่ร่างกายคนที่สั่งนี้คือใจผู้รู้ผู้คิดผู้รับผลบุญผลบาปพอสั่งให้ร่างกายทําบาปใจก็ร้อนขึ้นมาทันทีพอสั่งให้ร่างกายทําบุญใจก็เย็นขึ้นมาทันทีใจที่ร้อนที่เย็นนี่แหละ ที่จะเป็นนรกที่จะเป็นสวรรค์ต่อไปนี่คือเรื่องของชีวิตของพวกเราที่เราจะไม่รู้กันถ้าเราไม่ได้มาเข้าวัดมาฟังเทศฟังธรรมกันเราก็จะทำอะไรไปตามความพอใจของเราวันไหนอยากจะทำบุญก็ทำวันไหนอยากจะทาบาปก็ทำแล้วเราก็จะไม่รู้ว่าเราจะต้องไปรับผลบุญผลบาปต่อไปเพราะเรา ไม่มีตาทย์ที่จะเห็นนรกเห็นสวรรค์เหมือนกับพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายเห็นกันแต่ถ้าเราได้มาพบกับพระพุทธเจ้าธรรมทศสมท่านก็นจะบอกเราว่าบาปมีจริงทำแล้วต้องไปอบายบุญมีจริงทำแล้วได้ไปสวรรค์ถ้าภาวนาได้ตัดกิเลสตัณหาได้ก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิด ถ้าเราได้ยินได้ฟังแล้วเราเชื่อเราก็จะได้ปฏิบัติตามทำบุญอย่างที่วันนี้สอนให้ทำกากัน5ข้อคือบุญหลักคือให้มีความเห็นที่ถูกต้องให้เชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อนรกเชื่อสวรรค์เชื่อการเวียนว่ายตายเกิดถ้ายังไม่เชื่อก็ให้ฟังเทศฟังธรรมหนังสือธรรมะศึกษาไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะเชื่อเอง แล้วก็ให้ทำทานอยู่เป็นประจำเหมือนกินอาหารแล้วก็ให้รักษาสินเหมือนซื้อประกันภัยถ้าเรามีประกันรถยนต์นี้เรามั่นใจรถหายก็มีคนก็บริษัทเขาก็เอารถใหม่มาแทนให้เรารถพังเขาก็าไปซ่อมให้จันใดถ้าเรามีสีนห้าเราก็มีประกันว่าอย่างน้อยที่สุดจะต้องได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์ จะไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรัจฉานไปเป็นเปรกไปตกนรกแล้วถ้าทำบุญก็จะได้ไปสวรรค์ <Yeah. S 1> นี่คือบุญที่เป็นบุญหลักที่เราควรจะทำกันห้าบุญที่เกิดจากความเห็นที่ถูกต้องบุญที่เกิดจากการฟังเทศฟังธรรมบุญที่เกิดจากการให้ทานบุญที่เกิดจากการรักษาศีลและบุญที่เกิดจากการภาวนา ภาวนาก็คือนั่งสมาธิไหวพ้พระสวดมนต์ทาใจให้สงบแล้วก็จเจริญวิปัสสนาให้เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เป็นทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงมันไม่ใช่เป็นของเราสักวันหนึ่งจะต้องมีการจากกันเมื่อรู้ว่าทุกอย่างเป็นทุกข์ก็จะไม่มีความอยากได้อะไรเมื่อไม่มีความอยากก็ไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายนี่คือบญหลัก ส่วนบุญที่เป็นบุญเสริมนี่ก็มีอยู่อีกห้าข้อคือข้ อ, ข อ, ข อ, ขอที่หนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญเช่นเวลาเราทำบุญแล้วเราสามารถแบ่งบุญนี้ให้แก่ผู้ตายไปได้ถ้าเราห่วงพ่อห่วงแม่ห่วงพี่ห่วงน้องห่วงญาติสนิทมิตรสหายกลัวว่าเขาไม่มีบุญติดตัวไปเราก็ทำบุญแล้วก็อุทิศไป วันไหนเราทำบุญเราก็กวดน้ำอุทิศไปให้กับเขาถ้าขาอรอรับอยู่เขาก็จะได้บุญบุญนี้ก็เป็นเหมือนกับอาหารที่เราให้ขอทานขอทานเขาก็พอได้อาหารเขาก็ดีใจละถึงแม้ว่าจะเป็นอาหารมื้อเดียวก็ดีกว่าไม่มีอาหารเลยนี่เรียกว่าบุญที่เกิดจากการอุทิศบุญบุญอีกข้อหนึ่งก็คือบุญที่เกิดจากการอนุทนาบุญ เวลามีใครเขาทำบุญเราก็ควรสแสดงความยินดีไปกับการทำบุญของเขาแล้วเราก็จะมีความสุขใจแต่ถ้าเราไม่ไม่อนุโมทนาเราก็จะรู้สึกเฉยเฉยหรืออาจจะทุกข์ก็ได้ถ้าคนที่เขาทำบุญนี้เป็นพ่อเป็นแม่เราแล้วเขาทำบุญเยอะๆเราก็จะไม่อยากให้เขาทาเพราะกลัวว่าเดี๋ยวจะไม่มีมรดกทิ้งไว้ให้กับเรา ถ้าคิดอย่างนี้เราก็จะไม่มีความสุขกับการทำบุญของพ่อของแม่เราต้องคิดว่าพ่อแม่ทำบุญดีพ่อแม่ไปตายไปจะได้ไปสวรรค์เราจะได้ไม่ต้องคอยมาส่งบุญให้กับพ่อกับแม่อย่าไปเสียดายเงินทองของพ่อแม่มันไม่ใช่เป็นของเราอย่าไปโลภอยากได้เงินทองของพ่อแม่เพราะคิดว่าเป็นมรดกของเรามันเป็นเงินทองของพ่อแม่เขาเขาจะให้เราก็ได้ไม่ให้เราก็ได้ แต่ไม่มีพ่อแม่คนไหนไม่ให้เราหรอกงั้นอย่าไปกังวลถ้าพ่อแม่อยากจะทำบุญต้องรีบอนุโมทนาเลยถ้าพ่อแม่บอกว่าให้ขับรถไปวัดหนยก็ไปเลยอย่างนี้เรียกว่าอนุโมทนาบุญแล้วเราจะมีความสุขใจแต่ถ้าเราไม่อนุโมทนาไม่ยอมไปเราจะไม่สบายใจเราจะเสียใจในภายหลังว่าเราไม่ได้ช่วยให้พ่อแม่ได้ทำบุญเลย นี่คือบุญที่เกิดจากการอนุโมทนาเห็นใครเขาทำบุญเขาบอกเราก็แสดงความยินดีมีความสุขไปกับเขาดีกว่าไม่มีความสุขเพราะบุญนี้เป็นประโยชน์ข้อที่สบุญที่เราควรจะทำตามโอกาสก็คือการรับใช้ผู้อื่นช่วยเหลือผู้อื่นเวลามีใครเดือดร้อนพอจะช่วยเหลือกันได้ก็ช่วยเหลือกันไปเวลามาวัด มีช่วยจานเยอะแย ะ, ย ะ, ยะไม่มีใครล้างก็มาช่วยกันล้างเห็นห้องน้างําสกปรป ก, ก็มาช่วยกันทําความสะอาดอย่างนี้ก็เป็นบุญเหมือนกันถ้าเราไม่มีเงินซื้อของมาถวายพระเราก็มาช่วยงานในวัดกระด้เรียกว่าเป็นการทําบุญอีกรูปแบบหนึง่งก็ได้ความสุขได้บุญแล้วบุญข้อที่สี่ที่เราควรจะทําก็คือมีความอ่อนน้อมมีสัมมาคารวะต่อผู้หลักผู้ใหญ่ อย่าอวดเก่งอย่วดดีอวดตนให้รู้จักมีความอ่อนน้อมถ่อมตนจะเป็นที่รักของคนทั้งหลายคนทั้งหลายก็ไม่ชอบคนอวดเก่งอวดดีกันอวดเบ่งกันถ้าเราอยากจะมีความสุขกับการคบค้ากับคนเราควรจะมีความอ่อนน้อมถ่อมตนแล้วเราจะมีเพื่อนมากจะไม่มีใครรังเกียจเราและบุญข้อสุดท้ายที่เราควรที่จะมีทมก็คือ การให้ธรรมะแก่ผู้อื่นเช่นถ้าเรามาฟังเทศน์ฟังธรรมหรือเราได้ปฏิบัติธรมรมแล้วเลเห็นประโยชน์จากการรักษาศรรีลเห็นประโยชน์จากการทำทาน mm hmm. เวลาเราไปพบใครถ้าเขาอยากจะรู้ว่าบุญเป็นอย่างไรเราก็บอกเขาได้ว่าบุญนี้ทำให้เรามีความสุขใจมีความอิ่มใจตายไปทาให้เราไปสวรรค์อันนี้ทาให้คนอื่นเขาจะได้รู้ เรื่องของธรรมะหรือถ้าเราสอนไม่เป็นถ้าเราเห็นหนังสือธรรมะดีมีประโยชน์เราจะพิมพ์แจกก็ได้พิมพ์หนังสือธรรมะแจกก็เป็นการทำบุญอีกอย่างหนึ่งการให้ธรรมะนี้ท่านบอกว่าชนะการให้ทั้งปวงดีกว่าให้เงินทองเงินทองก็เพียงแต่ทำให้ร่างกายอยู่สุขสบายแต่ยังต้องกลับมาเรียนว่ายตายเกิดอีก แต่ถ้าให้ธรรมะนี่สามารถทำให้เขาไม่ต้องกลับมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายได้อีกต่อไปการให้ธรรมะจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนี่คือบุญทั้งหลายที่พวกเรามาเติมกันในวันนี้แล้วก็ขอให้เติมกันทุกวันเติมไปเรื่อยๆจนถึงวาระสุดท้ายของชีวิตแล้วรับรองได้ว่าตายไปจะไม่ไปอาบายแนย่นอนจะไปสวรรค์ชั้นไหนก็สุดที่อยู่ที่บุญที่เราทากัน อาจจะถึงสวรรค์ชั้นสูงสุดคือพระนิพพานเลยก็ได้นี่เป็นโอกาสอันเลิศอันประเสริฐเพราะถ้าไม่ได้มาเป็นมนุษย์เราจะไม่มีความสามารถที่จะทำบุญเหล่านี้ได้แล้วถ้าเราไม่มีพระพุทธศาสนาก็เราก็จะไม่รู้ว่าเราจะทำอะไรกันบ้างแต่ชาตินี้เราโชคดีเรามาเป็นมนุษย์เราได้พบกับพระพุทธศาสนาที่จะสอนให้เราทาบุญต่างเพราะฉะนั้นขอให้เรา พยายามทำกันทำตามที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์สั่งสอนให้พวกเราแล้วเราจะได้มีแต่ความสุขและความเจริญการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุดติดไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนาัราและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้ยงเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญ ด้วยอายุวันสุขภาระโดยทั่วหน้ากันเทอ